เป็นยังไงปฏิบัติกันมาหลายสิบปีแล้วไม่ใช่เปยยเป็นมือสมัดเล่นอย่างที่ท่านจันว่าไม่เอาแบบพระเจ้าบอกเอาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมั้งนเลยเอาหอมปากหอมคอวันละนิดวันละหน่อยเหมือนตักน้ําใส่ตุงเวลาขันมันลาไปหมดอะไม่เต็มตุมได้วี ตักมันทั้งวันเดี๋ยวเดียวมันก็เต็มต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยๆการปฏิบัติเท่า น, นั้นะที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาเป็นเพียงแต่เป็นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง้าเรียนแล้วไม่ยังไม่ได้ปฏิบัติผลก็ยังไม่เกิด ดูบางทีไม่เรียนดีกว่าแล้วปฏิบัติแต่ว่าอาจจะปฏิบัติไม่ถูกทนั้นเองที่ถ้าไม่เรียนแต่ถ้าเรียนน้อยๆเรียนพอรู้ว่าต้องทําอะไรก็นํำมาไปปฏิบัติเลยไม่ใช่เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วค่อยไปปฏิบัติไม่จําเป็นจะต้องเรียนพระไตรปิฎกเรียนแค่สามข้อใหญ่ๆคือทานศีลภาวนาเท่นั้นเอง ให้รู้จักวิธีทำทานให้รู้จักวิธีรักษาศีให้รู้จักวิธีภาวนาแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมไม่ต้องไปเรียนนักธรรมอะไรต่างๆมันรู้เป็นความรู้ที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันก็จะรู้ขึ้นมาเองความรู้ส่วนใหญ่ของพุทธเจ้านี่เกิดจากการปฏิบัติ ได้ผลแล้วก็เอามาบอกมาเล่าให้ฟังเราไปท่องแต่ผลแต่เราไม่ไปทาที่เหตุกันท่องชื่อธรรมะต่างๆชื่อโสดาบันสกิดาคามมอนณาคาเมชื่อมักผลิพานชื่ออัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอันนี้มันเป็นชื่อของธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรง พบจากการปฏิบัติถ้าพวกเราอยากจะพบทำเหล่านี้เราต้องปฏิบัติปฏิบัติทานศีลภาวนาตัวที่จะทำให้เกิดทำต่างๆที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนี้เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนา เ, เราทำต่างๆที่ เ, เราไปอา่านไปศึกษากันนี้มันจะเกิดขึ้นในใจ มันจะเป็นตัวจริงของแท้ของจริงตัวที่เราอ่านอนี่มันเป็นชื่อของของธรรมที่พระเจ้าได้สัมผัสได้รับรู้แล้วเอามาสอนมาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งให้รู้ว่าจากถ้าปฏิบัติแล้วจะได้พบกับอะไรเหมือนกับท่านไปขุ ด, ข, ด, ข, ด, ข, ดขุดเพชรขุดพลอยขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปขุดแล้วได้เพชรได้พลอยสีต่างๆ สีเขียวสีแดงสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินสวยงามสวยสดงดงามพวกเราก็ไปนั่งจินตนาการดูเพชรของพระพุทธเจ้ากันแต่เราไม่มาขุดเพชรของเราเองเราก็เลยได้แต่ดูเพชรของพระพุทธเจ้าได้ดูแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้ดูธรรมของเรา เราไม่มีเราไม่ได้เห็นธรรมของเราเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติกันแต่พวกที่เรียนมากๆเนี่ยจะเสียเวลาเพราะไปท่องชื่อของธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้ส่งค้นพบให้เรามาขุดเอาธรรมเหล่านี้ขึ้นมาดีกว่าธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจของพวกเราเกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนา ฉันขอให้เรามาทำทานกันทานนี้สำหรับคนที่มีเงินเยอะคนที่มีเงินเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ควรที่จะหวงเก็บเอาไว้เพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าของแต่ถ้าเอามาทำบุญนี้จะเกิดประโยชน์เพราะจะทำลายกิเลสความโลภความหวงความตณี ความความยึดมั่นถือมั่นในเงินทองเงินทองนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเงินทองเป็นที่พึ่งของร่างกายร่างกายจาเป็นจะต้องมีเงินทองไว้ซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยแต่ถ้ามีพอเพียงแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ให้มันเป็นภาระ กับจิตใจเพราะมันจะทำให้ใจเราต้องม า, าผูกพันกับเงินทองทำให้เราต้องมาพึ่งเงินทองเป็นสารณะแทนที่เราจะพึ่งธรรมอันเสรตเป็นสลาณะเราก็มาพึ่งเงินทองเวลามีความทุกข์ใจเราก็เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆามันก็ไม่ได้ดอบความทุกข์ใจ มันเพียงแต่ทำให้ความทุกข์ใจถูกบดบังไว้ด้วยความสุขที่เราไปซื้อมาอไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของอะไรต่างๆเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังกันก็ได้ความสุขความเพลิดเพลิ น, นชั่วคราว พอกลับมาบ้านความสุขเหล่านี้มันก็จางหายไปแล้วความเซงความเบื่อความอะไรต่างๆที่ยังเคยมีอยู่ก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็เลยต้องเดือดร้อนเพราะต้องไปหาเงินทองมาเรื่อยๆพอเวลาเรามีความเบื่อความเซงความซึมเศร้าความว้าเหวเราก็ต้องใช้เงินไปเที่ยวกันไปซื้ออะไรกันแล้ว มันก็จะทําได้เราไม่มีเวลาที่เราจะมาขุดธรรมะกันมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาภาวนากัน เ, เราก็เลยต้องหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินเอาทองมาดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อ เห็นเราอยากได้ซื้อแล้วมีความสุขอะไรเวลาของเราก็เลยจะผูกพันอยู่กับการหาเงินกับการใช้เงินเวลาที่จะมาหาธรรมะเลยไม่มี เ, เั้นเราต้องตัดวงจรอันนี้ด้วยการอย่ามีเงินไว้ใช้ซื้อความสุขต่างๆถ้าอยากจะซื้อความสุข เ อ, เอาเางินนี้ไปทำบุญจะได้ความสุขที่แท้จริงเวลาเอาเงินทองไปทำบุญทําทานใจจะมีความสุขกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆะจะทำให้ความอยากเที่ยวความอยากซื้อข้าวของต่างๆมันเบาบางลงไปเพราะเรามีความสุขจากการได้ทำบุญทำให้เราไม่ต้องไปเที่ยวเพื่อดับความทุก ไม่ต้องไปซื้อของต่างๆเพื่อมาดับความความเหงาความว้าเหวเพราะเวลาเราได้ทําบุญแล้วเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวต่เราจะมีความเย็นความสบายอยู่มัานเฉยๆไม่รู้สึก ห, น, หนุนหิตไม่รู้สึกเศร้าสร้อยเหงาไม่รู้สึกว้าเหวแล้วก็จะทําให้เรามีความเมตตา มีความสงสารผู้อื่นก็จะทำให้เรารักษาศีลได้เพราะจะทำให้เราไม่อยากจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีแตอย่างให้ผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทาของเราเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดบดไม่เดินสุรายามเมาเพราะเรารู้ว่าการกระทาเหล่านี้จะทำให้เราไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเราก็จะมีเราก็จะมาปฏิบัติศีลได้ ต, ตอนต้นเราก็ปฏิบัติศีลห้าปฏิบัติศีลห้ารักษาศีลห้ากันพอรักษาศีลห้าได้เป็นปกติเราก็จะมีกำลังที่จะเพิ่มศีลจากศีลห้าเป็นศีลแปดได้โดยการรักษาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระก็มารักษาศีลแปดกัน เพิ่มสินอีกสามข้อข้อที่สามก็เปลี่ยนจากการเมมาเป็นอบ ร, รมจริยาการเมก็แปลว่าการความประพฤติผิดประเวณีก็เปลี่ยนมาเป็นอ布拉มจริยาการประพฤติผิดประเวณีก็คือการร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่สามีภรรยาแต่ถ้าซื้อถืออบ ร, รมจริยาก็จะ งดเว้นการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนเลยจะหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาก็คือการมาภาวนาการถือศีลแปดนี้เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆจากกิจกรรมต่างๆถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ สิ่งข้อหกก็เราก็ยังรับประทานอาหารค่ำได้ไปงานเลี้ยงได้ไปงานแต่งงานได้ไปงานสังสรรค์อะไรต่างๆได้ในยามค่าคืนไปร่วมรับประทานอาหารกับเขาหาความสุขจากการรับประทานอาหารเราจะมาหาเลิกหาความสุขจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเราจะมาหาความสุขจากการภาวนา ทำใจให้สงบเศรลข้อจเจเราก็จะระงับการไปหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายเฉละเว้นจากการเที่ยวเตะยามค่ําคืนเละเว้นการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเฉละเว้นจากการเสริมความงามให้แก่ร่างกายด้วย เ, เครื่องสำอางก็ดีน้ํามันก็ดีน้ําหอมก็ดี เสื้อผ้าอภร์ที่สวยงามมิจิตทิศดาลก็ดีการทำผ้ า, าทำผมให้มีสีมีสารมีรูปมีทรงแบบต่างๆก็ดีก็จะยุติจะได้มีเวลามาภาวนาถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลาแต่งตัวเสริมความงานทำผ้ า, าทำผมเสียเวลากับการไปซื้อเสื้อผ้ามา ใส่จะออกงานใหม่แต่ละครั้งนี่ต้องมีชุดใหม่ชุดเก่ามันใช้หนเดียวพอแล้วเบื่อแล้วต้องมีชุดใหม่เป็นคนใหม่ น, นี่คือกิจกรรมที่เราจะต้องการงดแม้แต่การหลับนอนก็ไม่ต้องการหลับนอนให้มากเกินไปก็เลยต้องนอนบนพื้นแข็งๆไม่ให้นอนบนฟูกหนาะๆนะ เพรนอนพุ่งหนาๆมันนุ่มมันสบายมันจะนอนมากกว่าความจําเป็นปกติร่างกายนี้ถ้านอนสักสีห้าชั่วโมงก็จะก็จะตื่นนะแต่ถ้านอนบนพุ่นหนาๆก็มันจะไม่อยากลุกนะเพราะมันสบายก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากไม่อยากนอนต่อหรอก มันไม่สบายลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่าเอาความสุขจากสมาธิที่ดีกว่าความสุขจากการหลับนอนดีกว่าการรับน่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีภรรยากับการรับประทานอาหารกับการไปงานเลี้ยงต่างๆกับการไปสถานบันเทิงต่างๆกับการเสริมความงามต่างๆ ความสุข น, นี้สู้ความสุขจากการมานั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่ได้พอใจสงบแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจะพบกับนัติสันติปลังสุขขังจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัติสันติปลังสุขขังแปลว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ถ้าใครได้นั่งสมาธิแล้วพบกับความสงบแล้วนี่จะเปลี่ยนชีวิตพิกผันชีวิตจากไรโซสังคมมาเป็นแม่ชีมาศือสียงแปดกันมาบวชชีกันหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชเป็นพระกันเพราะความสุขมันเหนือกว่ากันมันดีกว่าแล้วไม่มีความทุกข์ตามมาด้วยความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายนี่มันมีความทุกข์ตามมา เวลาไปเที่ยวกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ความเหงาความว้าเวก็กลับมาใหม่แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาแล้วถ้ารู้จักสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้อยู่ไปได้ตลอดเพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทอง ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องใช้ร่างกายต้องใช้เงินทองถ้าเวลาไม่มีเงินทองก็ไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ถ้าร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการหรือแก่ชราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะมีแต่ความทุกข์คนเราจะไม่ชอบแก่กันไม่ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่ชอบตายกัน เพราะมันจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ได้ในขณะนี้แต่คนที่ภาวนาเป็นคนที่นั่งสมาธิเป็นคนที่หาความสุขจากความสงบเป็นเขาจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายแ ก, เกยเยย่เขาก็ยังมีความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ยังมีความสุขได้ตายเขาก็ยังมีความสุขได้เพราะเขาไม่ต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานี่ไม่มีเงินทองไม่มีเงินทองไปเที่ยวเหมือนญาติโยมไม่มีเงินทองไปช้อปปิง้งไม่มีเงินทองไปดูละครไปดูคอนเสิร์ตไปร้องนำทำเพลงไปที่ต่างๆไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ พราท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองท่านก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองไม่จาเป็นจะต้องมีร่างกายที่ท่านแก่ท่านก็ยังมีความสุขได้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มีความสุขท่านตายท่านก็มีความสุข อ, อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรารักษาสี่งแตกกัน ถ้าเราไม่รักษาสินแปดนี่เราจะปาภาวนานี้จะหาเวลามาภาวนายากสินห้ามไม่พอสินห้ามไม่ห้ามให้ร่วมหลับนอนกับแฟนนะสินห้ามไม่ห้ามให้รับประทานอาหารยามค่าคืนสินห้ามไม่ห้ามให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสินห้ามไม่ได้ห้ามให้แต่งเนื้อแต่งตัว สินห้ามไม่ได้ห้ามให้นอนบนเตียงใหญ่ๆพูก น, านาั้นนให้นอนนานๆสินห้ามไม่ห้ามจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้เ <c oughs> พราะว่าสินห้านี่เหมาะกับผู้ที่เป็นอยู่ในระดับอนุบาลหรือผู้เริ่มต้นรักษาศิ่งถ้าให้เริ่มต้นที่สิ่งแปดก็จะร้องโอ๊ยไม่ไหว <c oughs> เอาสินห้าก่อนเอาง่ายๆก่อนเอาแค่ห้าข้อก่อน อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดตัวแหน่อย่าพูดปดอย่าดื่มสุราอย่าเมาอย่าประพฤติผิดตัวแหน่เอาง่ายๆห้าข้อนี้ก่อนจะรักษาสีห้าด้ก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าใจไม่เป็นใจบุญสุนทานก็จะรักษายากเพราะคนที่ไม่ชอบทําบุญนี้จะจะรักไม่ชอบรักษาสีครับ เพราะจะต้องการที่จะได้เงินมากๆาได้เงินง่ายๆได้เงินเร็วๆการที่จะได้เงินง่ายๆมากๆเร็วๆนี้ก็มักจะต้องทำบาปกันต้องโกงกันต้องโกหกหลอกลวงกันถึงจะได้เร็วได้มากถ้าไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงนี่มันได้ยากคนที่ไม่ทำบุญนี่เขาเป็นคนที่อยากได้เงินมากๆากเขาหวงเงินเจไดเงิน อยากได้เงินมาใช้ซื้อความสุขต่างๆเขาก็เลยไม่ชอบทำบุญชอบเอาเงินไปเที่ยวแล้วพอเงินไม่พอก็ต้องหามาโดยวิธีต่างๆถ้าไม่ต้องถ้าถ้าหาวิธีที่ไม่ที่ไม่บาปไม่ทำบาปได้ก็ดีแต่ถ้าหาไม่ได้เขาบางทีก็ต้องทำบาปกันเพราะเขาต้องการเงินเงินขาดมือไม่ได้ เงินขาดมือแล้วทุกเลยต้องหาเงินด้วยการทําบาปเนี่ยคนที่ไม่ทําบุญเลยรักษาศีลไม่ค่อยได้คนที่จะทํารักษาศีลได้ต้องเป็นคนที่ทําบุญคนทําบุญนี่เป็นคนตรงกันข้ามกันไม่โลภเงินพอมีพอกินก็พอใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีเงินไปเที่ยวไปอะไรต่างๆเอาเงินมาทําบุญดีกว่า ทาบุญแล้วมีความสุขกว่าการไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆพอทาบุญแล้วก็จะทำให้เกิดความเมตตาเพราะเวลาเราทาบุญเราก็อยากให้คนอื่นเขามีความสุขจากการทาบุญของเราเราให้เงินทองก็เพื่อให้เขาได้เอาไปซื้อของที่จะบรรเทาความทุกอยากเดือดร้อนอันนี้ก็ทำให้เรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่ เมืเรามีความปรารถนาดีเราจะไปเราจะไปคิดร้ายต่อผู้อื่นไปทําร้ายผู้อื่นได้อย่างไรเราก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ไม่ดื่มสุลายามเมาเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่คือที่มาของการทําบุญทําไมเราจึงต้องทําบุญทําบุญเป็นการเปิด ประตูให้เราได้ก้าวสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปถ้าเราทำบุญได้เราก็จะรักษาศีลห้าได้พอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาศีลแปได้พอเรารักษาศีลแปดไ ด, เไ ด, เรรได้เราก็จะมีเวลาที่จะามาภาวน า, ามาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบมาศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญา ที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปให้เหลือแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนั น, นตการอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราได้เข้าสู่ขั้นภาวนาถ้าเราภาวนานใจเราจะมีความสุขใจเราจะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่ผล่ขึ้นมาด้วย ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกนั้นก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองพอเราโลภปั๊บใน่ใจเราร้อนขึ้นมา ท, าทันทีอยากได้อะไรปั๊บในใจร้อนขึ้นมากวลกวายกระพั์กระสายมาเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาสแสดงความกวลกวายขอพรอช่วยหนูหน่อยหนูจะขายที่ขอให้ขายได้ ยังก็เราเป็นพัดอะไรเราเราก็บอกเออได้แน่ๆขายไม่ไดเดี๋ยวก็ได้แค่นี้ก็ดีใจได้ไม่ได้ก็ไม่รู้พ้าโกหกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ก็อยากจะขอให้ช่วยก็ช่วยแล้วช่วยบอกว่าให้ขายได้เนี่ยพออยากได้แล้วแล้วใจมันสั่น ถ้าไม่ได้ก็เสียใจทุกใจแต่ถ้าไม่มีความโลภอย่างตอนนี้ญาติโยมไม่มีโลภอะไรกันตอนนี้สบายไหมหัวเราะได้ยิ้มได้เพราะตอนนี้ไม่เกิดไม่มีความโลภกันไม่มีความอยากกันแต่ไม่มีไม่มีนานสักเท่าไหร่ท่านเองเดี๋ยวเผิ่ปั๊บก็อยากกาแฟแล้วเดี๋ยวก็อยากขนมนะพออยากก็ทีนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยเฉยไม่ได้หัวเราะไม่ออกอะ ต้องหาอะไรมากินก่อนต้องหาอะไรมาดื่มก่อนแต่ถ้าใช้ปัญญาว่าอย่ากินดีกว่าอย่าดื่มดีกว่ายอมตายดีกว่าดีกว่ายอมทุกข์เพราะถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะความอยากมันไม่หมดพอได้ดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวก็อยากดื่มใหม่อีกพอได้กินขนมแล้วเดี๋ยวก็อยากกินขนมอีกพอไม่ได้ดื่มไม่ได้กินก็จะทุกข์อีก แต่ถ้ายอมเฝนไม่ยอมเดือไม่ยอมกินเดี๋ยวความอยากดื่มอยากกินมันก็จะหายไปพอหายไปแล้วทีนี้ไม่มีอะไรมากวนใจลนะอยู่เฉยๆไม่มีความอยากดืก่มกาแฟไม่มีความอยากกินขนมสบายไม่เดือดร้อนอันนี้เราไม่ยอมทนกันไม่ยอมสู้ความอยากกันพอความอยากมาปับ๊บนี้กราบมันเลยตอนรับมันเลยรับใช้มันครับผม แล้วกาแฟมาถ้วยวิวพอมันสั่งปั๊บไม่รีบไปทํากันเลยรีบชงน้ำหาเก้าหากาแฟหาน้ําตาหานมถ้าอยู่ใกล้ร้านสตามะ ก, ก็เดินไปเลยนี่แหละเราเป็นธาตของความอยากมันเลยไม่รู้สึกตัวเออเวลาไม่ทําตามความอยากนี่มันทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจแต่ถ้าเราฝืนกับความหงุดหงิดลาคาญใจได้ ต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังถ้าเราไม่ทำตามความอยากจะฝืนได้เราต้องมีความสุขทางใจก่อนเราต้องมีสมาธิก่อนทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟก็เลยไม่เดือดร้อนไม่ได้ดื่มกาแฟก็ไม่เดือนร้อนเพราะว่าความสุขที่กาแฟมาให้กับความสุขที่สมาธิให้นี้มันสู้กันไม่ได้อยดี แลยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีความสุขจากสมาธิมันไม่มีอะไรมันก็ต้องเอาความสุขจากกาแฟก่อนมันก็เลยหยุดไม่ได้แต่ถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาความสุขจากกาแฟก็ได้กาแฟหมดก็ไม่เดือดร้อนแฟนไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้ว ใจมันอิ่มมันไม่หิวใจมันจะสบายเย็ยนสุขไปเรื่อยๆเวลาไม่สุขก็เพราะเวลาเกิดความโลภความอยากกันเองแล้ววิธีที่จะแก้ก็ต้องอยากไปทำตามความโลภทำตามความอยากต้องหยุดมันไม่ทำตามมันออไม่ทำตามมันกำลังของมันก็จะอ่อนไปแล้วต่อไปมันก็จะหายไป คนที่เลิกเหดื่มกาแฟได้เลิกดื่มสุราได้เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกเที่ยวได้นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ทําตามมั น, นพออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอไม่สูบไม่อยากไม่สูบไปเรื่อยๆสักกี่ไม่กี่ครั้งความอยากสูบก็หายไปอไม่เชื่อลองทําดูเดียตอนนี้ติดอะไรลองเลิกมันดูอย่าไปทํามันดูแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ทรมานอคนที่ติดยาเสพติด เ, เนี่ย ารมานมากเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพเนื้อใจเนื้อสัน่นใจสั่นไปทั้งตัวเหมือนยอมตายดีกว่าอยู่แบบนี้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะไม่สัน่นใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่หยจจะไม่รู้สึกหิวกับความอยากนั้นก่อนที่เราจะมาหยุดความอยากได้เราต้องมีสมาธิก่อน พอเรามีสมาธิแล้วเราก็สามารถต่อสู้กับความอยากได้ด้วยการเอาปัญญามาสอนใจว่าการทาตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขแต่เป็นการหาความทุกข์ผ่อนสงได้สุขตอนต้นเหมือนไปซื้อรถมาประดาวนี้ก็ได้รถมาแล้วแต่ที่ต้องมาผ่อนสงนะีิความทุกข์ผ่อนสงนะ อย่ไปซื้อมันดีกว่าซื้อโดนดีกว่าขึ้นรถเมย์ดีกว่าขึ้นรถเมย์รถตู้ดีกว่าสบายใจกว่า<ม>อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปทำตามความอยากก็ได้ความสุขตอนที่เราทำ<ม>แล้วพอเก่อความอยากใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ทำาที่นี้ก็ทุกข์ละ<ม>ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะซื้อก็ทุกข์ละหรือถ้าร่างกายไม่สบายไม่สามารถที่จะ ทำสิ่งที่เราอยากทำได้ทีนี้เราก็จะทุกข์กันคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ไม่สามารถห้าความสุขทางร่างกายได้ก็มักจะคิดฆ่าตัวตายกันเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทาไมอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แต่อยู่แล้วมีแต่ความทรมานใจเขาไม่รู้ว่าความทรมาณใจไม่ได้เกิดจากการพิการของร่างกายความทรมานใจเกิดจากความอยากทำอะไรต่าง โดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองถ้าหยุดความอยากก็ทําต่างๆได้ความทรมานใจก็หายไปได้หายไปแล้วก็จะอยู่กับร่างกายที่พิการนี้ได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าเขาฝึกสมาธิมาก่อนถ้าเขารู้ก็มีปัญญามาก่อนรู้ว่าความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความอยากของเขาเองเขาต้องหยุดความอยากถ้าเขามีสมาธิ เขาก็จะหยุดได้แล้วเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้เขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วถ้าถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะมีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบมีความสุขจากการกาจัดความอยากต่าง ที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรใจจะไม่เดือดร้อนจืออยู่อย่างสบายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายได้ ดังนั้นเราต้องมาปฏิบัติทำสามขั้นนี้ถ้าเรายังมิยังใช้เงินซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาซื้อบุญกันดีกว่าบุญนี้เป็นสินค้าที่ดีกว่าให้ความสุขที่ที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยเราจะช่วยกําจัดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยได้แล้วต่อไปเวลาไม่มีเงิน ซื้อของอะไรต่างๆก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทาบุญก็ไม่เดือดร้อนบุญนี้ไม่เป็นสินค้าที่ร้อนเหมือนกับสินค้าอย่างอื่นสินค้าอย่างอื่นซื้อแล้วต้องซื้ออยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ซื้อแล้วทุกข์แต่บุญนี่ถ้าไม่ได้ทำแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีทาก็จะไม่ทุกข์การต้นเราต้องมาถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินอยาเอาเงินไปใช้ กับการทำตามความอยากต่างๆเพราะมันจะมาทิ่มแทงจิตใจเรามันจะมาทำให้ใจเราต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ใช้เงินก็จะทุกข์พอเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ใช้ต่างๆมาทำบุญเราก็จะทำให้เรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะรักษาศีลได้ เพราเราไม่โลบเงินเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมากๆหาเงินเร็วๆหาเงินแบบง่ายๆเราก็ทำมาหากินแบบสุดจริตได้ค้าขายไปตามตามความถูกต้องไม่หลอกลวงไม่ชอบโกงใจเราก็มีความสุขจากการไม่ทำบาปเราไม่ลัก ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาแล้วเราก็เห็นคุณค่าของการไม่ทำบาปของการละเว้นการกระทาต่างๆเราก็อยากจะละเว้นการกระทำอย่างอื่นที่เรายังละไม่ได้ก็คือการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว อันนี้มันก็เหมือนกับการติดกาแฟนี่แหละนุ่มหลับนอนกับการก็เหมือนกาแฟเหมือนกับติดกาแฟกินอาหารเย็นมันก็เหมือนกับติดกาแฟไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เหมือนกันก็ติดเหมือนกันแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามต่างๆก็เหมือนกันมันก็ติดเหมือนกาแฟติดกาแฟติดรูดีติดเหล้าติดความงามติดเที่ยวติดแฟนติดนอน ของพวกนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเลยนะใจมั้ยมันจะมีแต่ทําให้จิตใจต้องทุกเวลาที่ไม่สามารถทําตามที่จิตใจอยากจะทําได้ดังนั้นมาเลิกดีกว่าแล้วมาทํากิจกรรมที่ไม่เป็นโทษกับจิตใจก็คือการภาวนาการภาวนานี่ก็มีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาทําใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุข ที่ดีกว่าความสุขจากการไปทำอะไรต่างๆก็จะทำให้เราสู้กับความอยากที่จะไปทำอะไรต่างๆได้เวลาอยากจะไปเที่ยวก็สู้ได้เวลาอยากจะไปนอนกับแฟนก็สู้ได้เวลาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็สู้ได้สู้ได้หมดแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่มีอยู่ในใจต่อไปใจก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจ สิ่งที่บรบกวนใจเราไม่ใช่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกไอตัวที่บรบกวนใจเราก็คือตัวอยากนี่แหละตัวโลภนี่แหละถ้าไม่โลภไม่อยากกาไม่มีอะไรมารบกวนใจเราได้ตอนให้ใครมาเต้นแรง้งเต้นกาอยู่ข้างหน้าเนี่เปื่อยโกงเปื่อยกายมันก็มันก็ดูเป็นเหมือนสรากศพเปื่อยโกงเปื่อยกายอยู่เนี่ยมันไม่มีจะไม่มีอารมณ์มันดู ถ้าไม่มีปัญญามันมันเห็นทะลุไปหมดเห็นอาการสาวชิดสองเห็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นโครงกระดูกเต้นดิสโก้ยังงี้พวกไม่มีปัญญาก็เห็นเนื้อเห็นหนังเต้นดิสโก้กันเอพวกมีปัญญาก็เห็นโครงกระดูกเต้นดิสโก้กันถ้าคนมีสติมีปัญญามีสมาธิแล้วจะไม่หลงไหลกับสิ่งต่างๆ ก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆ je je สิ่งต่างๆจะไม่สามารถมาสร้างความหงุดหงิดลาคาญใจให้กับใจได้ตรงที่สร้างความหงุดหงิดลาคาญใจก็คือตัวความอยากนี้เองเวลาอยากไปเที่ยวนี่จะรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้านน้ําเหงาว้าวเวยอารมณ์ไม่ดีแต่พอได้ออกนอกบ้านไปนี่โอ้โหบานเบิกบานเอ เหมือนคำโบราณที่ว่าเวลาออกไปเที่ยวเหมือนไก่บินเวลากลับบ้านเหมือนหากินเวลากลับบ้านนี่คอพับกลับบ้านอีกแล้วต้องเข้ากรงอีกแล้วนี่เพราะความอยากอยากทําให้เกิดตามนึกเสกเบิก บ, บานใจเวลาได้ทําตามความอยากเวลาเลิกทาตามความอยากก็ทําให้เกิดความเศร้าส้อยงอหงายเหงาขึบบ้นมา เอ็นไหมไม่ได้ทําตามความอยากก็โวยวายนี่ไม่ใช่อะไรอถามดูอยากอะไรอยากทําอะไรทั้งอย่างแม่ไม่ยอมไม่ทําก็เลยโวยวายขึ้นมาเราโวยวายเนี่ยที่ประท้วงกันที่อะไรกันเป็นข่าวใหญ่โตก็ความอยากนั่นแ่ละข่าวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มาเป็นผลของความอยากนั่นแหละกาตกรรมก็อยาก โกรธเขาอยายกให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทำตามที่เราให้เขาทำก็โกรธเขาก็ตามฆ่าเขาชอโกงก็อยากจะได้เงินของเขาไปป้ามเขาก็อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาเนี่ยมันมาจากความอยากทั้งนั้นปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าทุกคนตัดความอยากได้แล้วโลกนี้จะอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างสันติไม่ต้องมีตารวจไม่ต้องมี สารไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางไม่ต้องมีกุญจงกุญแจบ้านไม่ต้องมีอะไรมาคอยรอปพมาคอยรักษาคอยคุ้มครองป้องกันตัวความอยากนี่มันเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เรามาเข่นข้ากันมาเบียดเบียนกันมาแก่งแย่งชิงดีกันแแต่พี่น้องในบ้านเดียวกันก็ยังต้องทะเลาะกันแกลงแย่งชิงดีกัน เพราะความอยากอยากได้มรดกของพ่อของแม่เนี่ยก็แย่งกันลนะอันนี้เป็นเรื่องของความอยากทนะั้งนั้นปัญหาทั้งหมดของในโลกนี้อยู่ที่ความอยากถ้าทุกคนมาลดละความอยากได้รับรองไนดะ้ว่าโลกเหล่านี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีการทําร้ายกันทําลายกัน จะมีแต่การช่วยเหลือกันดูแลกันไปตามอัตภาพแล้วจะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปต่อไปโลกนี้ก็จะมีแต่สัตว์เดินกรชานอยู่มนุษย์จะไปนิพพานกันหมดถ้ามนุษย์สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกคนมนุษย์จะไปสัตว์ยังไปไม่ได้เพราะสัตว์นไม่เข้าใจภาษามนุษย์สอนเรื่อง ความอยากไม่ได้สอนให้มันหยุดความอยากไม่ได้เพราะมันมันมันยังไม่เข้าใจภาษานี่แหละคือประโยชน์ที่อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โลกนี้จะเป็นโลกที่มีแต่ความสุขไม่มีภัยอันตรายภัยก็จะมีแต่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเอง เนื้อภายที่มากับสังขารร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่มันเป็นปกติของร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายไปในวันใดวันหนึ่งแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายใจอยู่ต่อไปอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะการอยู่โดยมีร่างกายนี้มันทุกข์อยู่โดยไม่มีร่างกายมันสุขและเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่จาเป็นจะต้องมีร่างกาย พวกที่มีร่างกายนี้แสดงว่ายังมีความอยากอยู่จึงมาเกิดกันยังมีความอยากใช้ตาหูจมูกมิ้นกายอยู่เพื่อเสดลูกเสียงกลิ่นรสผดทพะพอยู่อแต่พอตัดความอยากต่างๆไปได้หมดก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายร่างกายที่มีอยู่ก็ไม่ยึดไม่ติดเพราะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแล้วร่างกายจะอยู่ก็อยู่ไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไป จะไม่รู้สึกเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้เรามาปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วรมต่างๆที่พุทธเจ้าสงสอนนี่มันจะปรากฏขึ้นมาในใจเราเองความสุขระดับต่างๆทมต่างๆสติสมาธิปัญญาวิริยะอุตสาหะโคชงอริยสัสสี่ตายลกตายรับ มันจะปรากฏขึ้นมาในใจทุกอย่างอยู่ในใจหมด เ, เกิดจากการปฏิบัติใจนี่เป็นขุมทรัพย์ของธรรมเป็นแหล่งถ้าเราต้องการทําเราต้องเข้ามาขุดขุดด้วยการบาเพ็ญทานเสียงภาวนาถ้าเราภาวนาได้แล้วเราก็ไม่ต้องทําทานเสมมติว่าถ้าเราไปบวชนี่เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกับทานทานแนละ้ว เพราะคนไปบวชนี้เขาก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วนอกจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิงอะยังต้องมีไว้สําหรับซื้อข้าวเสื้อหุงอาหารถ้าไม่ได้ไปอยู่วัดหรือว่าถ้าไปอยู่วัดก็อาจจะต้องทําอาหารเองก็ต้องยังต้องใช้เงินซื้ออยู่ก็ต้องมีบ้างเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องไปทําบุญละ บุญที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการทำใจให้สงบการภาวนาเนี่ยพุทธศาสนาเรานี่แบ่งชาวพุทธไว้สองระดับระดับแรกเรียกว่านักบุญระดับที่สองเรียกว่านักบวชถ้าเป็นนักบุญพวกที่ยังมีเงินยังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็เอาเงินไปทำบุญแล้วก็รักษาสีลห้าพวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญก็ไปทาบุญได้ทุกแห่งทุกคน อยากจะไปทอดผ้าป่าที่ไหนอยากจะไปถวายผ้ากระินที่ไหนอยากจะไปสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปที่ไหนก็ไปได้แต่พอเป็นนักบวชแล้วก็ให้ยุติกิจกรรมของนักบุญให้มาทํากิจกรรมของนักบวชกิจกรรมของนักบวชก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดแล้วก็มาภาวนากัน ไปปีกวิเวกการภาวานานี้ต้องไปอยู่ที่เงียบเงีย บ, ยบที่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆห่างไกลจากเสียงสีเสียงต่างๆ <c oughs> ให้อยู่ที่มุมสงบจะได้ทาใจให้สงบได้ง่ายจะเยจะเลีงสติได้ง่ายควบคุมความคิดได้ง่ายบริกรรมพุทธโธได้ง่าย <c oughs> ถ้าไปอยู่ที่สงบแล้วเวลาจะเลียงสติจิตก็จะไม่ลอยไป กับความคิดต่างๆความคิดต่างๆก็จะเบาบางลงไปแล้วก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ได้ความสุขเต็มร้อยแล้วก็จะมีกำลังที่จะออกมาสู้กับความอยากต่างๆอยากอะไรก็ใช้ปัญญาสอนว่าเป็นทุกข์ทำแล้วต้องทำอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ทำก็จะทุกข์ อย่าทำดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับความความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าคือไม่ต้องทำอะไรตัดความอยากไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไม่มีอะไรไม่มีหลงเหลืออีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ใจกับร่างกายนี้ไม่เหมือนกันร่างกายมีอายุไขัยร้อยปีก็ตายแล้วแต่ใจไม่มีอายุไขใจของเราเนี่ยมีอายุมาไน่รู้กี่แสนล้านปีละแล้วก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทีนี้เราจะทําใจเราให้สุขหรือทุกข์เท่านั้นเองถ้าเราทําใจให้ทุกข์เราก็มีความอยากต่างๆถ้าเราทําใจให้สุขเราก็ หยุดความอยากต่างๆต่างกันแค่นี้เองใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าต่างตรงเนี้ต่างตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากแล้วแต่ใจของพวกเรายังมีความอยากอยู่ใจของพวกเราเลยังมีความทุกข์อยู่ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายยังมีการไปมีร่างกายอันใหม่อยู่แล้วก็ไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกาย ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วนําเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติพระพุทธเจ้าสละทรัพย์ ส, ะ ส, ะ, ส, ะ, สะสมบัติออกบวชถือศีลแล้วก็ภาวนา พอภาวนาก็ได้ความสงบได้ปัญญามาหยุดความอยากต่างๆใช้ปัญญากําจัดความอยากทุกครั้งที่อยากก็รู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่ทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้ารู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ทําตามความอยากเมื่อไม่อยากแล้วก็ไม่ มีความจำเป็นจะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บม า, ามาตายต่อไปเราก็จะสบายไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าใจเราตอนนี้ยังอยากอยู่ยังทุอยู่ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์เกต่อไปใจของเราก็จะเป็นเหมือนใจของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเพราะใจของพระเจ้าเป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นขอให้เรามาปฏิบัติกันอย่าเรียนมากจนเกินไปเรียนเฉพาะทานศีลภาวนาก็พอถ้าไม่รู้จักวิธีทำทานมาเรียนจะบอกให้เอาเงินมาแล้วจะสอนวิธีทำทานนะจะทำทานกับหมาก็ได้ทำทานกับนกก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ทำทานกับพระก็ได้ใส่บาตรทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รักษาศีลถ้าไม่รู้ก็มาถามศีลห้าข้อมันยากแค่ไงถึงต้องเรียนกันนานเหลือเกินศีลห้าศีลแปดศีลสิบถ้าบวชเป็นพระก็ศีลสองอยิบเจ็ดถ้าเป็นภิกษุณีถ้าสมัยก่อนมีภิกษุณีก็สามรอยกว่าข้อตอนนี้ถ้าอยากรู้ก็ยังไปค้นหาได้ในพระไตรปิฎกไปเสิร์ชใน Google ก็ได้เขียนศีลของภิกษุณีมันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว ถ้าอยากเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลสามร้กว่าข้อก็เป็นภิกษุณีนะไม่ต้องบวชก็ได้การเป็นภิกษพานี้ไม่ได้อยู่ที่ทําพิธีโกนหัวห่มผ้าเหลืองอยู่ที่รักษาศีลได้หรือไม่ได้ถ้าไปโกนหั <S <s is วห่มผ้าเหลืองแล้วทําพิธีเสร็จแล้วไม่ไม่รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเขาก็จับศึกอยู่ดีนั้นมันอยู่ที่การรักษาศีลไม่ได้อยู่ที่การทําพิธีอยู่ไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวห่มผ้าเหลือง ถ้าเรารักษาศีลสาม้อยกว่าข้อได้เราก็เป็นภิกษุณีแล้วโดยที่ผมยังยาวอยู่ก็ได้กางเกงยังใส่กางเกงอยู่ก็ได้แต่ใจมันเป็นภิกษุณีแล้วแต่ร่างกายมันยังเป็ น, ปนสาวอยูเ่เป็นหญิงอยู่แต่ใจนี้เป็นภิกษุณีไปแล้วถ้ารักษาศีลสาม้อยกว่าข้อของภิกษุณีได้ดันั้นขอให้พวกเราพยายามมาปฏิบัติกันเถอนะ พรถ้าไม่ปฏิบัติผลมันจะไม่เกิดฟังไปแล้วกี่ร้อยครั้งกี่ร้อยรอบมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปถ้าไม่นําเอาไปปฏิบัติถ้านํามาไปปฏิบัติแล้วมันจะเข้าไปในใจหมดเลยทำต่างๆเนี่ยศีลทั้งหลายจะเข้าไปในใจหมดสมาธิปัญญาจะเข้าไปในใจหมดการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจะเข้าไปในใจหมดการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเข้าไปในใจหมด ต้องเข้าไปด้วยการปฏิบัติการฟังการการฟังการเรียนนี่เป็นเพลงวิธีให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วก็ขอให้นำไปปฏิบัติกันนะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะท้าวฤๅหปุราปาริปุเรนติสาขัง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 มาเตภาวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวัฒนศีลิสานิจจังอุทาปจายโนจตารุธรรมาวาทาติอายุวันโอสุขังภาลังเดี๋ยว ยังไปอยู่วัดป่ารเปล่าะั่แ้วไปวัดป่าสักีมาราอยู่ที่ไหนรงนเขียวเลยวัดหองคนหาออ่ทำดีมากเลยคที่สำหรับูยาสบายแลสวยงามอ่าในคนไปเยอะเยอะค่ะคนเป็นเป็นร้อยเลยค่ะวันนี้เย็นเยรันา สี่ห้าร้อยเลยค่ะรถมาไปพักไปพักมากี่วันสามคืนแล้วใกล้ๆกันมีวัดป่ารัตนวันที่เป็นของท่านยานุธมโมที่มีพระอาจารย์สมัยโทอยู่ใช่หมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ท่านไปต่างประเทศะไปต่างประเทศมาจำพรรษาช่วง เป็นไงเมื่อจะเอาเป็นมืออาชีพเถอะเป็นมือสมัครเล่นมานานแล้วเนี่ยจะพยายามพยายามทําให้เป็นนิสัยอาจารยแต่มันยังไม่เป็นมืออาชีพชามีไม่เอาใช่ไหมมืออาชีพอ๋อยากเป็นกลับมาชาติหน้ามือจะเจอพุทธศาสนาหรือเปล่านะพณะมีพุทธศาสนายังไปได้แค่นี้ะถ้าทไม่มีพุทธศาสนามันจะไปได้ถึงไหน ยังตอนนี้ยังมีคนคอยสอนคอยบอกคอยชวนอยู่ถ้าไม <onder amazing. S 1> ่มีพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครมาคอยชวนคอยสอนก็มีแต่คนชวนไปเที่ยวกันนะก็จะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่กันก็ยังต้องวนเวียนไหวตายเกิดไปกันอีกนานเพราะกว่าจะได้พบกับพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติ พระพุทธเจ้าแต่และองค์นี้มาเกิดไม่ใช่มาเกิดกันบ่อยๆแสนชาติล้านชาติอาจจะได้เจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งการพูดพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับการถูกราตรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ไปขึ้นรางวัลกันเก็บไว้เฉยๆได้รัตตลีเก็บไว้ไม่ไปขึ้นเดี๋ยวมันก็มันก็หมดสภาพไป ขึ้นรางวัลของพุทธศาสนาก็ต้องไปปฏิบัติไปเรียนไปปฏิบัติกันถึงจะได้รางวัลเนี่ยการมาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ก็ถือว่าได้ถูกรางวัลแล้วแต่ยังไม่ได้รับรางวัลจะรับรางวัลก็ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติก็ศึกษาปฏิบัติรางวัลของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานก็เราก็จะได้รับกันมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่ง สโสดาปฏิมาสโสดาปฏิผลสกิดาคามีมากสกิดาคามีผลอนาคามีมากอนาคามีผลอรหัตมาอรหัตผลนิพพานเกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเนเวลาเราถูกตั้งรีรางวัลที่หนึ่งเราขึ้นลางมัลอย่างไงเราก็ทําไปซนั้งงานสลากกินแบบใช่ไหม เอาบัตรประชาชนของเราไปยืนยันว่านี่เป็นเราแล้วก็ไปเซ็นชื่อกอกข้อความที่เขาให้เรากอกยังไม่เคยถูกเลแต่เราเดาว่าของเขาเ้า mm hmm. ต้องให้เราต้องเซ็นชื่อเวลารับเงินจากเขาใช่ไ mm hmm. แล้วเขาถึงจะจ่ายรางวัลให้กับเราถ้าถูกแล้วอยู่เฉยๆเขาก็ไม่จ่ายให้เราถ้าเราไม่ไปไปปรากฏตัวไปสแสดงตัว mm hmm. ว่าเราถูกอัลเล่นี่ใบนี้เป็นของเรา mm hmm. เขาก็จะ ให้รางวัลกับเรานี่เราถูกกัเตรีกันทุกคนแล้วนะรางวัลที่หนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ไปนี่ผ่านได้บางคนก็ไปเร็วเจ็วันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีอยู่ที่ขยันหรือไม่ขยันถ้าขยันก็เร็วเจ็ดวันก็ได้ถ้าขยันน้อยหน่อยก็เจ็ดเดือนถ้าขยันน้อยกว่า น, นั้นอีกก็เจ็ดปี แต่รับรองได้ว่าไปนิพพานกันได้ทุกคนถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแล้วพบกับคนที่สอนการปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนี่ยท่านได้นิพพานกันหมดนล้ศึกษากับท่านนี่ไม่ผิดแน่แนศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆศึกษาปฏิบัติปักเดี๋ยวก็ได้เองเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างแต่ไม่เกินไม่เกินชาตินี้รับรองได้ กูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นชาติสุดท้ายของท่านนะเพราะท่านเอาท่านตั้งใจจะขึ้นรางวัลนะเี่ยพรายังขี้เกียจขึ้นรางวัลอยู่ยังเ อ, เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนค่อยขึ้นรางวัลทีหลังเอเดี๋ยวขึ้นมา่อไหร่ก็ได้ไว้รอกล้านตายก่อนไว้รอจิตสุดท้ายก่อนมันไม่ทันนะจิตสุดท้ายจะให้มันเป็นนิพพานในจิตสุดท้ายขึ้นมาไม่เป็นนะ พอเราคิดว่าเดี๋ยวจิตสุดท้ายทำํำมันเป็นนิพพานมันก็เป็นนิพพานขึ้นมาเพราะว่าจิตสุดท้ายสําคัญไงก็เลยคิดว่าเอาเอเดี๋ยวเราจิตสุดท้ายก็แล้วกันพอจิตสุดท้ายก็นิพพานนางพลมังสุขขังท่องมันไปแล้วเผื่อมันจะเป็นนิพพานขึ้นมา <c oughs> มันไม่เป็นจากการท่องหรอกมันเป็นด้วยการตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆ <c oughs> ให้หมดไปจากใจ ขอให้พยายามทำกันนะอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครปฏิบัติให้เราได้เราต้องปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในในทางเป็นผู้นําทางแต่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติให้กับเราไม่ใช่จะพอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปั๊บก็ได้ไปนิพพานเลยไม่ได้ ถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าท่านเป็นผู้สอนเราเป็นผู้นําทางเราจะไม่เชื่อใครเราจะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจะไม่เชื่อพวกหมอดูพวกเข้าเจ้าเข้าทรงอะไรต่างๆเราจะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความหมายของพุทธังสรนังกัจฉามีเชื่อในลักษณะเป็นผู้นําทางเป็นผู้สอนแต่เราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถ เราต้องเป็นที่พึ่งของตนเราต้องปฏิบัติเองปฏิบัติตามที่ผู้สอนสอนให้เราปฏิบัติสอนให้ทําทานเอาเงินไปเที่ยวมาทําทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทําทานถ้ามีเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทําทานดีกว่าถ้ามีไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปปฏิบัติเลยถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็มีเวลาปฏิบัติใช่ไหที่ปที่ไม่มีเวลาปฏิบัติก็เพราะไปเที่ยวกัน ถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวมันก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวมันก็จะมีเวลาปฏิบัติเนี่ยพอไม่มีเงินเที่ยวก็ปฏิบัติได้แล้วใช่ไมมีอะไรมาขวางการปฏิบัติก็การเที่ยวนี่แหละอะไรจะมาขวางการปฏิบัติมันง่ายจะตายไปเดินเดินการนั่งแค่นี้มันยากตรงไหนเดินตรงกรมมันง่ายกว่าไปเที่ยวอีกนี่ฮไปเที่ยวนี่ต้องไปทาหนังสือเดินทางไปทาบีซ่าไปจองโรงแรม แต่เตรียมเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดภาวนานี่เดินจงกรมก็ได้ละนั่งสมาธิก็ได้ละง่ายกว่ากันเยอะแยะกับไม่เอาออะดีกว่ากันเยอะแยะก็ไม่เอารชอบของยากชอบของไม่ดีนั่งจำไปเที่ยมมันก็ฝึกสติดได้นะครับอย่าเลยสติยาวนั่นก็เรียกสติกิเลส สติของกิเลสไม่ใช่สติของธรรมสติของธรรมต้องเข้าไปเที่ยวนในป่านั่นเนี่ยเนี่ยสติเดินไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ลอยมันจะคอยดูงูคอยดูอะไรที่อยู่ข้างหน้า mm hmm. แต่ถ้าไปเที่ยวมันก็ดูนูน่นดูนี่ดูตึก ด, ดูของ ด, ดูนู่นดูนี่แล้วก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานที่ยเอสติแบบนั่นเน่ย ถ้าอย่างเดิมมีสติต้องมาเที่ยวในป่าสิลองไปเดินในป่าดูเดินตอนมืดๆ ด, ดูเงี้ยเนี่ยมันจะคอยดูทางดูมีตัวอะไรอยู่พ้าหน้าหรเปล่านี่แหละมีสติสติต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่สติลอยสติลอยไม่ใช่สติหรอกลอยไปรูปลอยไปตามเสียงลอยไปตามกลิ่นลอยต่ามไม่ใช่สตินะ สติมันต้องจดจอ่ออยู่ปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวกำลังเดินก็อยู่กับการเดินกำลังนั่งก็อยู่กับการนั่งดูลมก็ดูลมอย่างเดียว น, นี่นที่เรียสติแต่ก็ไม่เถียงนะ <c oughs> คุณวนะ่าเป็นสติก็ดีคุณก็เอาไป <c oughs> ก็ไม่วนะ่าเลยแต่เราไม่เอาแบบนั้นแน่ๆ <c oughs> เราเราเคยไปเที่ยวมาแนละ้ว <c oughs> เราเรื่อสติแบบนั้นกัสติแบบนี้มันคนละอย่างกันนี่ไงเราไม่ต้องมาบวชให้มันเหนื่อยไปเที่ยวมันไม่ดีกว่าไปเที่ยวเราก็ได้นินนพนานมันไม่ดีกว่าดีกว่ามาบวชมาอดอดอยากม่อยู่แบบอัตคตัดขัดสนเอพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องออกจากวังเนะี้ยมีสติในวัง น, ะนั่งดูละครนั่งดูลิเกนั่งดูเขาฟ้อนลำก็มีสติดูเหมือนกันไม่ในชะ่ไหม ถ้าไม่มีสติมันก็ดูไม่ได้ใช่มะมไม่มีสติมันก็หลับไนเลยคลอกคอกมันไม่ใช่สติมันไม่ใช่สติแบบนั้นสติแบบนั้นมันไม่พอที่จะเอามาสู้กับกิเลสมันไม่พอที่จะทาใจให้สงบได้สติที่จะทำใจให้สงบได้มันต้องอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเนี่ยมันถึงจะทำให้ใจสงบได้ไม่ใช่สติ ด, ดูกับการฟ้อนลําสติ ด, ดูกับการฟังเพลงอย่างเงี้ย มันก็มีสติแต่มันไม่ใช่เป็นสติที่จะทำให้จิตสงบมันเป็นจิตเป็นสติที่ทำให้จิตปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปกับละครที่เราดูปรุงแต่งไปกับเสียงที่เราฟังทำให้ปรุงแต่งมันจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าดูเฉยๆดูละครเฉยๆไม่ปรุงแต่งมไม่รู้เรื่องอ่ะมันต้องปรุงแต่งว่าอ๋อนี่พระเอกนี่นางเอกตอนนี้เขาทะเลาะกันเขามีเรื่องมีราวกันเขาแย่งกันตีกัน มันต้องปรุงแต่งดูสติแบบนี้สติแบบปรุงแต่งไม่ใช่สติแบบหยุดหยุดปรุงแต่งนะสติที่พระเจ้าต้องการให้เรามีคือสติที่หยุดการปรุงแต่งให้ดูเฉยเฉยให้สักแต่รู้ให้ดูเฉยเฉยถ้าดูเฉยเฉยแล้วจะไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับละครที่เราดูหรอกถ้าดูแล้วปรุงแต่งให้ตื่นเต้นตกใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดในจอผีออกมาก็กลัวละ ผีในจอยังกลักวเลยรคิดดูเอยว่าไปปรุงแต่งกับมันว่าเป็นจริงเป็นจังไปกับมันแต่ถ้าดูเฉยๆมันไม่รู้มันเห็นว่าเป็นภาพเท่านั้นเองสักแต่รู้สักแต่ว่าเห็นเห็นว่าเป็นภาพไม่มีความหมายภาพที่เห็นก็เห็นเป็นภาพเฉยๆถ้าดูเฉยๆไม่ไปปรุมแต่งกับมันก็ลองดูดูหนังแล้วไม่ได้มีปิด เ, ดเสียงดูเฉยดูลู่เรื่องไหมดูไม่รู้เรื่องอะไรไหมเราพูดอะไรกันก็ไม่รู้นะ อารมณ์ต <environments> ่างๆก็ไม่เกิดละสติก็ละอย่างกันเข้าใจผิดนะเรียกไม่จ้าทิฏฐิเข้าดีไม่ไปสอนคนให้ไปเที่ยวกันนะถ้าอยากจฝึกสติไปเที่ยวกันน่าจะได้สติอยู่บ้านแล้วไม่ได้สติต้องไปเที่ยวถึงจะได้สติ ก็จะได้ใจจะได้จดจ่อดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหรอสติที่สัมมาสติคือสติที่ไม่ปรุงแต่งสติที่ทําให้จิตจับแต่ว่ารู้หยุดความคิดปรุงแต่งถึงเรียกว่าสัมมาสติสติที่ทําให้มีการคิดปรุงแต่งเรียกว่ามิจฉาสติ <c oughs> วันนี้เข้ามากี่คน วันนี้ Facebook สูงสุด4 6 3ค่ะทางย t u b e สูง ส, สุด1 4 7โ YouTube มันสูงกว่าเนีสูงกว่าเก่าเยอะเลยครั้งแรกนา ะ, นะ1 4 7แล้วนะอ่สถิ ต, ถติ YouTube มันดีตรงที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกก็เข้าได้เลยอยู่ได้เลยมีต่างชาติเข้ามาไหมวันนี้มีค่ะอ่ามีคำถามอะไรก็ถามได้ คำถามจากผู้ฝากถามพบคนที่มีครอบครัวมาสิปีณขณะที่คบหากันนั้นฐานะที่บ้านยากจนและต้องดูแลครอบครัวด้วยณตอนนั้นไม่มีทางเลือกเพราะอยากเรียนหนังสือด้วยค่ะแต่ตอนนี้เรามีความพร้อมแล้วถ้าเราทิ้งเขาจะผิดไหมคะทั้งที่ตอนนั้นเขาช่วยเหลือเรากะทั่งเรามีทุกวันนี้กลับขอคำแนะนาค่ะก็อยู่ที่ว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราไปแล้วเขา เขไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปได้ถ้าเขายัางเดือดร้อนเขายัางต้องการเราให้ช่วยเหลือเขาอยู่ถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณเขาเราก็ต้องอยู่ต่อไปหรือไม่งั้นก็หาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ยกให้เขาไปแล้วก็ให้เขาเหมือนกับทดแทนทดใช้บุญคุณเกขา คำถามจากคุณซิริลูกนั่งสมาธิแล้วมีนิมิตบ่อยมากแต่ไม่ได้ตามรู้แต่ได้กลับคุมสติไว้กับพุณโธต้องทําแบบนี้ไปได้เรื่อยหรือคะใช่ต้องมีสติควบคุมถ้าไม่ควบคุมมันไม่ได้ม่ได้เรียกว่านั่งสมาธินั่งดูจิตนี่มันจิตมันก็จะผลิตนิมิตต่างๆออกมาหลอกเราแล้วจิตก็จะไม่มีวันสงบการนั่งสมาธินี่คือต้องการให้จิตสงบ กรารสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตในความสงบนั่งสมาธิก็คือต้องมีสติกำกับใจต้องมีพุทธโธหรือมีอนาปนาสติพุทธโธก็เป็นพุทธานุสติถ้าอาการ3าสองก็กายกะกตาสติต้องมีอะไรคอยกำกับใจไม่ปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆใจเป็นเหมือนเด็กเล็กเนี่ยถ้าปล่อยให้เด็กเล็กอยู่เฉยเดียวเด็กเล็กก็ป ทำอะไรอาจจะเสียหายกับเด็กเองได้ไปเล่นกับไฟหรือไปเหยียบเอามือไปแยในปักไฟเข้าอะไ ร, รไฟจะช็อตได้หรือไปเห็นเห็นของอะไรก็เอาเข้าปากเห็นลูกขินก็เอาใส่ปากกืนเข้าไปเพราะเด็กไร้เดียงสาไม่รู้อะไรการนั่งสมาธิโดยไม่มีสติก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจิตก็จะผลิตนิมิตอะไรมาหลอกจิตเองท่านิมิต ด, ดีก็เพลินไปกับมัน ทำนิมิตไม่ดีก็ตกใจกลัวต่อไปก็จะไม่กล้านั่งสมาธิหรือบางทีก็หลงได้เพราะฉะนั้นต้องระวังถ้านั่งสมาธิต้องมีสติคอยกากับใจถ้ายังนั่งไม่เป็นอย่าเพิ่งไปนั่งไปศึกษาวิธีนั่งสมาธิให้ถูกต้องก่อนว่าคานั่งกันอย่างไรแลนะผลที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไรนั่งสมาธิต้องมีสติกากับใจ แล้วก็ผลที่ต้องการก็คือจิตว่างจิตสงบจิตเย็นจิตสบายขณะที่ยังไม่ถึงจุดนั้นไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องมีสติกากับใจไปถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าใช้การดูลมหายใจก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีลูกอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจร่างกายจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจ จะเจ็บตรงนั้นจะปวดตรงนี้จะคันตรงนั้นคันตรงนี้จะกืนน้ำลายน้ำลาย้เต็มปากก็อย่าไปสนใจมันถ้าไปสนใจแล้วก็แสดงว่าเผลอสติแล้วไม่ไม่จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวถ้าไม่จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวจิตก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณนุชค่ะมีอาการเจ็บพารูปหนึ่งเกิดขึ้นมา ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอความเกลียดขึ้นมาลูกดับด้วยการอาโหสิกรรมทันทีว่านับขื่อท่างแต่ไม่ทราบสาเหตุการเกลียดเกิดจากอะไรจะบาปไหมคะก็สัญญาเก่ามั้งชาติก่อนอาจจะเคยเกลียดกันมาพอเจอกันปั๊บก็เกลียดกันทันทีคนเราเนี่ยเราจะเจอคนสามแบบคนที่เห็นแล้วรักกันทันทีคนที่เห็นแล้วเกลียดกันทันทีแล้วคนที่เห็นแล้วเฉยเนีย ก็มีสามแบบด้วยกันอย่างถ้าเราต้องการที่เราจ ะ, ะไม่รักไม่ชังเราก็ต้องใช้การฝึกสมาธิฝึกสติเวลาเจอเกียรใครก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าใช้อโหสิกรรมละหายก็ใช้ได้อโหสิกรรมลงไปเจอใครรักใครก็อย่าไปรักเขารักเขาเดี๋ยวก็ติดกับเขาเองเดี๋ยวเขาไม่รักเราก็จะเสียใจกอ ก็พุดธทพุทโทไปทำใจเป็นกลางดีกว่าทำใจเฉยๆดีกว่าเหมือนกับคนที่เราไม่รักไม่ชังดีกว่าคำถามจากคุณพัชราค่ะหลวงตาเทศว่าขันทั้งหลายมีการเกิดดับเกิดดับตลอดคนธรรมดาขันเกิดจากกิเลสการปรุงแต่งก็จากกิเลสแต่การปรุงแต่งของพระอาหารหันต์ทั้งเกิดและดับเฉยๆ ปรุงเฉยๆและดับไปตรงนี้ดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยค่ะอ๋อป้าหลันท่านปรุงแล้วถ้าไม่มีความโลภโกรธหลงตามมาไงเห็นกาแฟท่านก็ไม่มีความอยาก<ฮ>คิดถึงกาแฟคิดถึงบุหรี่ท่านก็ไม่มีความอยากจะดื่มกาแฟสูบบุหรี่แต่ถ้าคนที่มีกิเลสพอคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟพอคิดถึงบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่พอคิดถึงกระเป๋าก็อยากจะซื้อกระเป๋า เอราคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนเนีน่ยีคือคนที่มีกิเลสคิดแล้วมันจะมีความโลภกดหลงตามมาความอยากตามมาคนที่มีไม่มีกิเลสคิดแล้วก็จบคิดถึงกาแฟนแล้วก็จบคิดถึงอะไรแล้วก็จบคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การทำสมาธิต้องผ่านขั้มปิติทุกคนไหมคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราผ่านจุดนั้นผ่านไม่ผ่านก็ไม่ไมสำคัญขอให้มันเข้าสู่ความสงบก็แล้วกันปิติบางทีก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านคนคนเดียวอาจจะผ่านครั้งเดียวครั้งต่อไปอาจจะไม่ผ่านก็ได้ขอให้เราอย่าไปกังวลขอให้เราเข้าไปสู่จุดอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ให้ได้เท่านั้นเองอันนั้นต้องไปถึงได้ทุกครั้ง อันนั้นเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องการไปกันส่วนอย่างอื่นนี้มันอาจจะผ่ามันอาจจะมีอาจจะไม่ไม่มีก็ได้คำถามจากคุญเจกุศลกรรมกุศลกรรมบทสิบต่างจากสีลห้าอย่างไรก็า้าคะกุศลกรรมนี่มันมีอยู่สิบกุศลทางกายทางวาจาและทางใจนีกุศลทางกายก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเองนี่ กุศลทางวาจาก็คือการไม่พูดปดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อไร้ cher, าสาระการไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีแล้วก็กุศลทางทางใจก็มีสามคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่คือคือกุศลทั้งสิบประการด้วยกัน คำถามจากคุณชีระชาติค่ะเมื่อบุคคลบรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นต่างๆความทุกตัวไหนเป็นแรงขับให้อริยบุคคลเหล่านั้นจําเป็นต้องพาตัวเองไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เหมือนกับเราที่เรารักษาร่างกายเรามีหลายโรคเนี่ยมีอยู่สี่โรครักษาโรคท้องหายเอาละโรคหัวโรคศีรษะยังไม่หายก็ต้องไปรักษาโารคศีรษะต่อ โรคศีสะหายแล้วโรคเท้ายังไม่หายก็ต้องไปรักษาโรคเท้าต่อโรคเท้าหายแล้วโรคมือยังไม่หายก็ต้องไปรักษาโรคที่มันเหลือต่อไปทำอริยะสีขั้นก็มีทุกสี่ระดับทุกระดับโสดาบันดับไปแต่ทุกของสกิรดาคามีอนาคามีอาหารยังไม่ดับก็ต้องไปแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกทั้งหมดดับไปหมด